ไม่ถึงความไหยนะไปด้วยโจรภัยด้วยน้ำมือของมนุษย์ของสัตว์ด้วยจากไฟจากลกขอให้อยู่ในสภาพเดิมอยู่ในที่เดิมแต่ถ้าของนั้นจะไม่ใช่ของขัาพัจ้าเป็นของคนอื่น คืนใชดใช้ให้แก่ผู้นั้นแผ่เมตตาให้กับผู้นั้นที่เขาได้ของนั้นไปขอให้เขาได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากของที่ ไปคุณมองด้วยประการต่างๆและหากของนั้นจะเคลื่อนจากที่ขอให้ได้คืนให้ได้คืนด้วยประการใดๆถ้าหากว่าเรารู้ภายหลังว่าของนั้นเคลื่อน ที่หรือหายไปให้ทรงคิดตามรักษาต่อไปและให้ทรงคิดนำกับอทรงคิดไปส ก, ก, กัดกั้นเหตุที่จะทำให้ของนั้นสูญหายไปโดยการที่บอกแสปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร ใครเอาไปเมื่อไหรและเอาไปทาง ประสบวิบากกรรมต้องสูญเสียรเราก็ยอมลัย ก็จะได้บางสิ่งบางอย่างมาชดเชยในสิ่งที่เราเสียไปคือไม่ไปตามเอาคืนกับคนที่เอาไปแต่ขอชดใช้จากเหตดปัจจัยด้านอื่นไม่จากบุคคลอื่น ซึ่งก็หมายริงเรียกร้องขอเอาจากขุนสนวิบากในด้านอื่นให้กลับมาชดเชยแทนของนั้นก็เหมือนไม่หายอยู่ดีข้อนี้เป็นรายละเอียดสุกิที่อาจเป็นไปได้ในแง่ต่างๆ แต่เมื่อเราจะทำในส่วนของการรักษาแบบมุ่งที่จะนำกับก็ให้ทำไปด้วยเจตนารงบางครั้งไม่ได้คืนทันทีก็ได้คืนในโอกาสหลังล กำหนดจิตแพ่จิตไปพร้อมกับการลั่นกุญแจบ้านของท่านหรือพร้อมกับการปิดประตูบ้านของท่านหรือถ้าหากว่าบ้านของท่านไม่มีประตูท่านก็แพ่จิตไปประหนึ่งว่าจิตของท่านเป็นประตูประตูรั้วบ้าน หรือประตูเรือนบา้านแผ่ไปด้วยความรู้สึก ก็ขอให้เกิดความสำนึกกลับเป็นกุศลจิตเทียวใครที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกระวนกระวายเมื่อทอดสายตา<อ>กมาเห็นประตูบ้านเห็นบ้านก็ขอให้จิตสงบเยือกเย็นได้สำนึกได้กุศลจิต และได้โชคดีจากการมาสู่ที่ตรงนี้ได้ความเจริญในชีวิตแพรไปที่ประตูบ้านแพรไปที่ตู้เก็บสัมสิษ ยิ่งเราใสดเข้าไปมากก็เหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่แห่งความปลอดภัยที่ของเราปลอดภัยด้วยผู้ที่จะมาทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยก็ได้รับการคุ้มครองได้รับ ประโยชน์สุขในส่วนที่เนื่องด้วยธรรมเนื่องด้วยกระแสเมตตาที่พิษกลับไปเป็นประโยชน์ต่อความผาสุขความสำเร็จในชีวิตของเขาเรานั้นแพร่จับลงไปเป็นที่เป็นสัต เป็นส่วน ด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวท่านเองกําลังนั่งอยู่ที่บ้านหลังนั้นนั่งอยู่ในห้องกลางหรือนั่งอยู่ที่รั้วบ้านหรือยืนอยู่ที่รั้วบ้าน หรือลอยตัวอยู่ข้างบนและพทอดสายตาลงมาดูบ้านเขตบ้านเหมือนกับว่าท่านกาลังดูหุ่นจำลองของอาคารสถานที่คือบ้านเรือนของท่าน ที่จุดใดจุดหนึ่งเคลื่อนไปยังจิตใจจิดหนึ่งตามลำดับโดยที่เหมือนตัวท่านเองไปเดินจงกรมอยู่ยกมือแผ่พลังไปโดยลำดับโดยลำดับจนมาประจบครบรอบ ที่จุดเิมตอน ทให้ควรทีและทั่วถึงถ้าสมาธิดีพอสมควรท่านก็จะรู้สึกคลายกังวลคลายความห่วงใยต่อทรัพย์สินและบุคคลที่ท่านห่วงใยนี้เป็นอย่างน้อย า ก, กว่านี้ก็คือท่านจะประเมินคำตอบได้ว่าการแผ่ของท่านหวังผลได้หรือไม่ได้เชื่อได้หรือไม่ได้แม้บางทีท่านไม่ต้องตั้งคำถามคำตอบก็จะสะท้อนมาสู่ความสำเร็จของท่าน จะทำให้จิตใจของท่านนั้นแช่ชื่นคลายกังวลและให้ท่านแทนคุ้มครองบ้านคนอื่นเขาด้วยแทนคุ้มครองแม้อมนุษย์คือเอะไน ที่อยู่ในเขตบ้านเรือนของท่านในน้ำหรือบนบกให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของเขาด้วยทรัพย์สินของเราก็จะปลอดภยัยจิตใจของเราก็จะเป็นปกติทำธุรกิภารกิจ ในที่ไกลได้โดยไม่ต้องคอยกังวลห่วงใยจนเกินเหตุแล้วก็ได้แผ่พลังแผ่บามีของท่านคุ้มครองเพื่อนบ้านได้น้ำใจกับเพื่อนบ้านของท่านและเพื่อนบ้านของท่านก็จะมาให้การคุ้มครองทับสินของท่าน โดยไม่ต้องไปออกปากฝากฟังกรร้องให้เขาต้องมารับผิดชอบจนเขาไม่กล้ารับปากเราทั้งหมดเหล่านี้แม้ว่าจะมีเหตุปัจจัยหรือเครื่องคุ้มครองด้านอื่น เพื่อนบ้านเขาให้ความม่วมือเกิดภาวะบังเอิญแก้วกลาดอย่างใดก็ตามแต่ขอให้รู้เถิดว่าหรือผู้แพรจะรู้ได้เองว่าสมุฐานลึกๆในทางการอาราขาคือการแผ่จิตสมาธิยิ่งมาก บางท่านก็คงสมาธิบางท่านก็คงว่องบางสมาธิบ้างปนๆกัน <c oughs> ไม่ได้ชัดไมชัดเจนมากเพราะถ้าถ้าเรารู้ว่าคนใดคนหนึ่งมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้ามานาั่งนั่งทำมันจะเข้าจุดหมดพอเข้าจุดหมดเนี่ยเจ้า <c oughs> ต, ตัวจะรู้สึกจริงจังถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นนักทำสมาติแน่นะมนะันจะจริงจังเพราะว่า้แรงกระตุ้นจากแต่ความที่ตัวเองมีปัญหาหรือแรงกระตุ้นจากความที่ตัวเองต้องการจะชัดเจน แล้วก็เลยบางทีทำให้ได้สมาธิไวไปเลยนนาาสมาธที่เว่ามียได้กาละทั้งหมดแต่ก็ด้งยวสาพของมันนก็จเนี้ยนลดาก็ปจะของมัน่างขั้นเพราะมันนาะมาที่ว่าเป็นตั้งหลายอมากที่เราทํลายอย่ามากมากกว่าที่อตมา ความยั่งยื คนออกมาแล้วมาดูปรดูผลว่าเป็นยังไงมันจะมีผลปรากฏเลยผลปรากฏเลยว่ามันเปิดอะไรขึ้นเป็นอย่างน้อยเนี่ยแค่ไหนอย่างมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องจำว่าเราอย่าไปหวังผลทุกสิ่งทุกอย่างก็าจะต้องได้ทั้งหมดในอนกคนมันอาจจะได้ตอนนนนี้แล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะได้ผลมากบ้างน้อยบ้างอะไรต่างต่างนะ แต่ว่าได้เน no like no no ี่ยได้่แที่มาาจรก็้ออาจารย์เาห็นว่ามันได้แล้วนต่รอย่างว่าทเรานา้าทํามันว่าของาเป็นของเขาก็แต่ว่าเนี่ย อ, อ, อ่คือที่หรือว่าบางทีเนี่ยน ะ, ะสมมติว่ามีคนขอยืมเงินไปจำนวนนึงแล้วก็มันก็เกิดไม่ให้เกิดไม่ให้เนี่ยเราก็ดูสภาพแล้วเขาไม่สามารถจะช่วยได้ทีนี้ถ้าเราใช้ไอ้ไอ้ไก้แต ต, ตรงนี้เราก็ไปเอามาคนอื่น ก็เลยมาให้แทนให้แทงเข้ามาเข้ามาขอให้ได้เงินจานวนนี้จากใครก็ตามที่เขาอาจจะต้องมาเป็นฝ่าให้เราให้เราไอา้นั่นเราให้เราข้าไปแล้วก็มันก็ได้คืนคือ ท, ที่ว่านี่ยเป็นสิ่งที่ที่เคยทดลองใช้มาเพราะเขาเป็นเป็นไปได้จริงจริอันนี้ความรู้สึนครับ าบอกพ <pinpoint. S 1> ี <c oughs> mind, ่ตอนนั้นว่าในไม่วลานี้พบคนหัวร้อนพ้วเหนก็หมดหก็หมดไปี่เมื่อพนาจการิกาเดสระร่เวดาห์เมวดาก็ยิ้มอยู่คอยวาหลงพุทธเ้าพุทธาปนตังปนตงทรเจ็ของพนาจุกาพิมกาเสดสิงพระไร่เมาห์ดาห์ก็ยิ้มยิ้มอย่คอยุ่า แล้ก็จะเคยเห็นบางคนเนี่ยอย่างน้อยก็สองคนที่ที่ได้ตอนเนี้ยนะจะเป็นคนดีมีเมตตาช่เหลือสุนแต่ว่าเป็นคนหลวมหลวมในเรื่องทรัพย์สินแล้วมักจะมีคนมาเปรียบนะเช่นว่าจะไปซื้อหาอะไรเนี่ยจะต้องโดยคนมาเาเปรียบ เขา่ร้อนใจนะแต่ว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งดีมาชดเชยคือว่าเวลาที่คนมาเอาเปรียบรู้ว่าก็ไปซื้อของจำนวนหนึ่งว่า20ล้านมันโดนเอาเปรียบมันเอา30ล้านแต่ตัวก็เสียเปรียบอึ่มันขัดเสียไ ป, ปเปล่าๆ10ล้านแล้วจะไป ตบไม้กบมือมก็ไม่ได้เลยมัออกนก็บิดตาทนี้จะทํำยังไงีนไอ้ตรงนี้นะมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเสียเปลือตลอดนะแต่ว่าเขาเสีย เ, เปลือบบ่อยแต่สิ่งที่เขาได้ทืนเองก็ได้ตลอดคือไอ้สิ่งที่เข้าไปคือมาเนี่ยปรากฏว่ามันมาขายได้กําไรเกินกว่าที่เขาขัดทุนไปตั้งเยอะทุกสี่ไป อันนี้เป็นเป็นครอบแปลกอันหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ก็ ค, คล้ายๆกันแต่ว่าออคนนี้เขาไม่ค่อยเล่าล้อใครจะมาเปลี่ยนเขาเขาคือเขาไม่ไม่อยากไม่เป็นคนไม่ไม่โลมนะแต่เขาเขาสามารถที่จะหางเงินมาทำได้เยอะอันนี้ก็หาแล้วก็มีคนมาตอ่ตอดนต่อนี่เขาก็บอกว่าเออคือไอเขาพูดอย่างนี้ได้ว่าเขาเขาสังเกตใกนจิตากรรมจ น, นจะรู้แล้วว่า เออมันโกได้โกงไปเดี๋ยวกูก like um ็ได้ของกูอีกแตาก็ได้น้องเขาเอามุดชดเชยมาได้เลยแล้วแล้วก็คือไม่รู้บางทีอย่างเงี้ยบางที่ผมเห็นแล้วก็แปลทตรกันแตบางทีเขาไปเจอเสษเงินเป็นล้าเสดเงินใช่ไหม้วเขาไปเจอเขอเขาก็ไม่รู้ว่าเงินเขาไอ้วันจงวันจีอะไรอะไรเนี่ยนะมันก็ะเพณี เขาไม่ได้คอยรู้รายละเอียดอ่ะนี่เงินเดี๋ยวบางทีมันโดนคนเอาเปรียนไปอะไรไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเจอบัญชีหายนี่โผรมาแล้วร้านหนึ่งวันไหนธุระที่จะว่าจะทําแล้วเงินนั้นมันหายไปมันมีเงินมาแดดแล้วบางทีโผล่มาได้ดอกเบี้ยสี่แสนอะไรเงี้ยเออพอจะไปปิดบัญชีเอาได้ดอกเบี้ยสี่แสนเนี่ยทมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาถือจริงแล้วไม่จดมี อะไรสักอย่างหน่มันจะต้องโตรธขึ้นมาแบบคาดไม่ถึงแค่นั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เป็นงนั้นหรอกแล้วเพียรพยายามพยายามพยายามอที่ทำใจ า, นา<ห>งน้ได้ะใจของมาได้สนิ้มันาเป็นนลแต่บ็นบรอลา่อ า, าอยแบ้แลแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะถ้าเป็นเป็นบางกรณีบางคนเนะี ถึงต้องต้องเริ่มอะไรทำตัวให้ให้เป็นศูนย์เนี่ยสาคัญมากคือ<ม>อย่าไปดันทุนลังดันทุลังที่จะเอาคือทําตัวละตัวละตั้งหลังไหมพอทําตัวละตื่ขึ้นไปใหม่ก็โดยที่มาําระตัวเองอย่างเงี้ยทําตัวละตัวละตั้งหลังใหม่และถึงคราวได้เนี่ยมันได้มากกว่าที่ตัวเองจะไปดันทุหลังแก้ปัญหาดันทุนลังที่จะไปอย่างง้อย่างนี้นะอย อ, ะอย่างงี้ได้ผล จบกรณีนะฮะในจันหวักันนาครับ